อาจารย์ครับกับนักวชาการครับจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสามนะครับอาจารย์ครับอืครับก่อนเข้ารายการขอโอกาสครับอาจารย์เมื่อเช้าไปไปปินาบาดคนเยอะไหมครับผมหมอเลาะห้าร้อยเจ็ดสิบคนสงการสานพรด้วยพัพร้สาสด้วยวันสงการด้วย วันอาทิตย์ด้วยสามอย่างรวมกันห้าร้อยเจ็ดสิบกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับประมาณเกือบสองชั่วโมงครับผมแล้วไปฟังธรรมตอนบ่ายเยอะไหมครับอาจารย์ครับที่ที่น่ากติก็สองร้อยหกสิบประมาณสองร้อยกสิบรวมกันก็ทั้งหมดก็เก้า้อยกว่าเก้าร้ยเจ็ดสิบ อาจารย์ครับก็ดีคนบางคนก็ใส่บาตรตอนเชา้าแล้วตอนบ่ายเขาก็มารอความธรรมต่อด้วยครับคนจากกรุงเทพก็ไปกันเยอะครับเพราะว่าช่วงมันหยุดใช่ไหมครับอาจาใช่คนจากต่างจังหวัดคนที่ก็มาพักโรงแรมที่ที่น่าบเป็นจันบบ้านตอนเช้าเขก็ลงจากโรงแรมมาใส่บาตรครับโรงแรมนันนี้ทำเลดีมากเลยนะทำาลดีทำเลมุดทำเลเพราะว่าจัดอาหารเตรียมให้ทุกอย่าง ครับข้าเข้าวใส่บาตรกับข้าวเลยเตรียมมาตั้งโต๊ะให้อะไรทุกอย่างเพียงแต่คนใส่บาตก็ตอนเช้าก็พอพระมาก็มาใส่ได้เลยครับผมสะดวกสบายบวันนี้ปีใหม่ครับอาจารย์ปีใหม่ไทยก็เลยชวนเพื่อนๆนทุกคนมาช่วยมาขอพอรพระอาจารย์ก็เลยข อ, ข อ, ขอากระดกขอพอรพระอาจารย์เรื่องมงคลชีวิตครับเราก็จะ ใด้ผ่อได้ยังไงเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเอาแบบมงคลสูงสุดของชีวิตนะครับอาจารย์ครบคุณครับมงคลของชีวิตก็คือมองคลความสุขความเจริญของจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นของไม่ตายเป็นของที่เมื่อเราได้พัฒนาให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นมันก็จะไม่ตายไปกับร่างกายเอาใจของเราต้องไปต่อ ไปพบใหม่ต่อไปไปขึ้นไปสูงก็ได้ลงไปต่ําก็ได้เค้ื่อนอยู่การกระทําของเราเรื่องบุญไรืบาปถ้าทําบุญไม่ทําบาปจิตใจเราก็จะสูงขึ้นจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยบุคคลไปนิพพานตามลําดับถ้าทําบาปมากกว่าทำบุญ ก็จะไปอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างไป็นรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่ทําว่ามีแบบไหนบ้างนี่คือเรื่อง ก, กฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครสามารถทําให้ใครได้เป็นเรื่องของคนของแต่ละคนต้องทํากันเองจิตแต่ละดวงต้องทํากันเอง ดังที่พระเจ้าทรงตรัสมาเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมนใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเราจะเป็นผู้รับผลของบุญนั้นหรือบาปนั้นนั่นก็ให้นั้นที่การทําบุญละบาปแล้วก็ซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเป็นมงคลอย่างยิ่ง ก็จะทำให้จิตเราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ไม่ทำบาป ก, ก็ปิดประตูบายทำบุญก็ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเทพทำบุญให้ทานแลถ้าไปปฏิบัติธรรมทื่อสินแปเจริญสตินำ ส, สมาธิก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแลถ้าได้เจริญปัญญาอรลยาสัจสี่ไล้ักก็จะไปนิพพาน ไปเป็นภาเรืบุคคลขั้นต่างๆไปนี่เกิรถแมพแผนที่ของของจิตใจของพวกเราทุกคนที่เราโชคดีที่ได้มาเกิดในยุคที่มี ม, มีมีพระพุทธศาสนาที่วางรถแมบนี้ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ก็เป็นเหมือนอการเดินตามแผน แผนแผนที่อันนี้ละบาปสร้างบุญให้ถึงพรสำหรับจิตใจให้สะาดบริสุทธินี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยังอย่าไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเลยว่าจะจะสอนอะไรที่แปลกจับพระพุทธเจ้าองค์นี้ทุกๆพระองค์ที่มาตัดสิลุงจะสอนเหมือนกันเพราะเป็นเหมือนมรรคสาโลกชนิดเดียวกันจากหมอจากสิบรีราจบรุ่นไหนก็ตาม เมื่อรักษาโรครักษาโรคเดียวกันก็ก็จะใช้วิธีทักษาเดียวกันนะนะไม่มีอะไรที่จะวิเศษกว่า น, นี้บางคนเพิ่งเจอคิดว่าต้องให้เจอพระสีอาส น, นจะได้หลุดพ้นได้ตอนนี้ก็หลุดพ้นได้คําสอนของพระพุทธเจ้าพระอพระโคตมนีท่านก็ยังมีอยู่ยังสามารถยังผู้ปฏิบัติให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ จะไปรอ่าเสียหายเช่นนี้ไม่ร้กี่กับกี่การถึงจะมาตัดสรุปเราจะมาเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เองเวลามาเกิดการากประกาศเป็นวันนั้นของเาแต่ละช่วงก็ไม่รู้จะไปตรงกับการปรากฏของ พ, พระพุทธศาสนาหรือพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่มีวันที่จะสามารถหลุดพ้นจากการมิไม่ไหว้ตายเกิดได้ เพราไม่มีปัญญาที่จะสามารถตัดสู้ทำได้ด้วยตนเองมากจากว่าเป็นภาพโพธิสัตว์ถ้าเราบําเพ็ญอรมีสิทอย่างเข้มข้นอย่างพระเวชสันต์อนอย่างพระมหาชนกเนี่ถ้าทำอย่างนี้ก็จะมีโอกาสที่จะตัดสู้บรรลุเป็นพระุทธเจ้าได้ด้วยพระองค์เองได้ด้วยตัวเองนอกจากนั้นเราต้องรอให้มีพระพุธเจ้ามาสอนก่อน ก็จะได้เดินตามได้อย่างง่ายด้ยแทนที่ต้องมังเพนบารลรีเป็นกลับเป็นการถ้าทําถ้าใจเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็สามารถบรรลุได้ในของเราตอนเนี้พระพุทธเจ้าแการันตีแล้วว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้าทําอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทอย่างเต็มที่คือไปอยู่แบบนัก บ, บวช ทิ้งภารกิจทางโลกไปให้หมดการหาลาภยศแสนสุขเป็นความสุขปรามเป็นของชั่วคราวตายไปก็หมดไปตายแล้วศูนย์พวกนิสูนย์หมดไม่มีใครอะไรติดตัวไปได้เอาเวลามาทุ่มเทให้กับการมาพัฒนาจิตใจให้หลุดออกจากกรงทุกข์แห่งการเว็นว่าตายเกิดดีกว่าอันนี้มีคำสอนมีผู้สอน ขนาดชาวต่างประเทศเขายังมาสา บ, บินมเมืองไทยเพื่อมามาบวชเป็นพระกันเลยไม่มีประเทศไหนที่ทจะทจ่พร้อมที่จะเท่ากับประเทศไทยในเรื่องการสนับสนุนให้บรรลุเป็นพระอาไรครบุคคลประเทศที่มีพุทธศาสนานประเทศอื่นเขาก็ไม่มีการปฏิบัติที่ที่ตรงกับแนวทางที่พระเจ้ทาทรงสอนคือสายวัดป่า อ้หลวงปู่มั่นปฏิบัติธงปู่มั่นเนี่ยเป็นสายที่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการมีชุปฏิบัติธี่ดงกวัดนะมีปฏิบัติกรรมฐานก็เรียกว่าพระธุดงค์กรรมทานาราพระป่านี้มีชื่อเต็มแต่มว่าเป็นพระพระกับพระธุดงคกรรมฐานคือปฏิบัติธุดงคกวัดต่างๆ แล้วก็เจริญกรรมฐานเช่นบริกรรมพุโทโธรือพิจารณาสุภะอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือกรรมฐานท่านจะไม่ทำอะไรอย่างอื่นพิธีการมอะไรนักิจนิมนเออยปุกเสกเอยทำน้ำมนเออยอะไรอย่างนี้ท่านจะไม่เอาเวลา้มาทำาับสิ่งเล่านี้ท่านจะไปปรีก้ว้เงอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเันแล้วบางทีก็ พอมีกำลังพ อ, อก็อาจจะไปทุดงอยู่คนเดียวเพราะการนาแผ่นที่จะให้หล ด, ดได้นี่มันต้องอยู่คนเดียวต้องไม่มีภารกิจอย่างอืนมาเกี่ยวข้องด้วยถึงแม้จะอยู่วัดป่าวัดเขาบางทีก็ยังมีภารกิจที่จะต้องดูแลเกี่ยวกับครูบาอาจารย์บ้างเกี่ยวกับวัดบ้างเพราะมีศรัทธายาโยมก็เข้ามากราบครูบาอาจารย์ก็ต้องมีการจัดสถานที่เตียมสถานที่อะไรต่าง ก็ยังต้องมาทํากิจกรรมเหล่านี้อยู่ถ้าไปเป่งวิเวกก็อยู่คนเดียวได้ก็ไม่ต้องทำอเลยนอกจากเจริญจิตถภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับเดงจงของนั่งสมาธิสลับกันไป อ, อันนี้แหละถ้าทําอย่างนี้ได้พ้ะเจ้าก็บอาเจ็ดไม่เจ็ดวัก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแต่ที่ช้าเร็วมันก็มีอยู่สองประการด้วยกันประการหนึ่งก็คือก ก, กเรนหนาะหรือกกเรนบาง ถ้าเกลี้นามมันก็ช้ามันยากถ้ายังชอบชอบเสพกามอยู่เสพรูปเสียงกินยด้อนอยู่นี่ยการย่ามาปฏิบัติมันก็จะยากเพราะต้องอยู่แบบนอนกับดินกินกับทรายแล้วก็บรรลุเร็วุรือช้าก็อยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยนารปฏิบัติเท่านี้ท่านแบ่งไว้สี่จำพวกด้วยกันพวกที่ปฏิบัติง่ายแล้วบรรลุเร็ว องค์นี้คือ ก, กั้วเลียนน้อยแล้วก็ปัญญาปัญญามากมีสติปัญญามา ก, มญญามากเวลาภาวนาก็ไม่ยากไม่มีนิวรณ์มาคอยความเวลาทำสมาธิก็ไม่มีนิวรณ์มาคอยความเวลาเจริญปัญญาพิจารณาตายละพิจารณาและสัตวสีก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อ, องค์นี้ก็เรยว่าปฏิบัติง่ายเนะบนรรลุเร็วกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองปฏิบัต่ง่ายแต่บรรลุชา้า วันนี้ก็มีกิเลสบางไม่มากกิเลสน้อยแต่ปัญญาถือยังคิดทางปัญญาไม่ค่อยเป็นอะไรบาดุชาหน่อยพวกทิ่สามนี่เป็นเพื่อปฏิบัติยากแล้วก็แต่บรรลุเร็วคือเวลามีกิเลสหนาะเวลาจะเจริญสตินั่งสมาธินี่มีนิวรณ์บางคอยขวางอยู่เรื่อยถึงทั้งในการปฏิบัติสมาธินี้ยากมาน แต่พอผ่านขั้นสมาี่ไปได้แล้วนี่พอพิจารณาทางปัญญาก็สามารถรู้ได้อย่างรวนเร็วเพราะมีมสติปัญญาพวกที่สี่นี่เป็นพวกที่กีเลกันาปัญญากึกปฏิบัติกยากบรรลุกระชาเนี่ยสาเหตุทำไมจึงมีการบรรลุเจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดปีบ้างเพราะสติปัญญาของแต่ละคนที่ได้สะสมมามีไม่เท่ากัน ก็เหมือนกันกนักเรียนที่เรียนตามโรงเรียนต่างๆใช่ไตรดัสติปัญญาของแต่ละนักเรียนคนจะไม่เหมือนกันจึงมีแบ่งเกรดแม้กระทั่งห้องก็ยังมีแบ่งเป็ น, ปนห้องห้องคิ n g ห้องอะไรเลยเด็กที่เรียนเกรดสี่เขาก็จะเอาไปรวมกันอยู่ห้องที่เรียนเก่งๆในคลีปัญญาทึบเนี่ยก็เอาไปอีกห้องแบ่งไว้เป็นอีกห้องเพไปแข่งกับพวกเด็กที่ปเป็นเกรดเกรดสี่นี่สู้เขาไม่ได้ นี่คือคนคนเราที่มาเกิดเนี่ยมีความแตกต่างกันสองอย่างดิเลสหนานะและกิเห็นบางปัญญาเทือเป็นญาติปัญญาแห่มคงที่จะเป็นตัวมิจฉาว่าของการปฏิบัติของเรานี่ยาก ง, ง่ายหรือยากจะบรรลุเร็วหรือบรรลุชาแต่ถ้ามีความศรัทธามีความเพียรพยายามก็ต้องบรรลุแ น, น่นอนอาจจะยากหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่ก็บรรลุได้ อย่างที่พระเจ้าทรางกำหนดก็เจ็ดปีถ้าเปรียบกับพวกที่หัวกะทิเขาก็เจ็ดวัน น, นั่นเองอนี่ก็คือพอรถ้าอยากจะได้พรพรที่แท้จริงนี้ต้องเกิดจากการกระทําของเราไม่มีใครให้พอรอันนี้ได้ถ้าให้ได้พระเจ้าก็เสกให้พวกเราเข้าไปพันธิภพณฑ์กันหมดแล้วไม่ต้องมาวุ่นวายกันแับ น, น, นี้อยู่ในโลกนี้กัน กลับกับพระครุณพระอาจารย์ครับได้รับพรกันทั่วนะ้วครับจะรับพระเจ้ไปหรือเปล่าในเรื่องนี้จะไปปฏิบัติหรือเปล่าไม่รู้ครับผมขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับจะขอถามคําถามจากท่านอื่นๆนะครับการสวดมนต์แล้วก็เรียนรู้ภาษาบาลีและปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือต้องแยกกันออกเป็นอย่างอย่างครับคือสมัยก่อนนี่ ถ้าไม่มีการแปลบาลีมาเป็นภาษาไทยถ้าอยากจะเข้าใจเข้าใจธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนว่ามีอะไรบ้างก็ต้องไปเรียนบาลีแต่สมัยนี้เรามีผู้ที่เขา้ารู้บาลีบาลีนับแปลมาเป็นภาษาไทยเราก็ไม่มีความจํำเป็นที่จะต้องไปเรียนบาลีถ้ า, าอยากจะเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอะไรบ้างอย่างไรแล้วยิ่งสมัยนี้มี ชาติต่างๆก็ า, าเอไปแปลเป็นหลายภาษาด้วยกันภาษาอังกฤษก็มีภาษาฝรั่งเศสก็มีภาษาเยอรมันก็มีภาษาอินโดก็มีก็เลยไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปเรียนบาลีถ้าเราต้องการที่จะศึกษาเพื่อให้เราเข้าใจคําสอนของพระเจ้าก็ไม่ต้องเรียนบาลีก็ได้แต่สําหรับพวกที่เขาเรียนบาลีนี้เขาอยากจะเป็นผู้ชานาญทางภาษา ถ้าอยากจะเป็นผู้ที่เข้าใจคําสอนพระเจ้าอย่างลึกซึ้งก็ได้เพราะว่าเข้าใจคาํออาบาลีภาษาบาลีที่เป็นภาษาเดิมที่พระเจ้าทรงใช้ในการแสดงธรรมอย่างนี้ครับถ้าถ้าถามว่าถ้าอยากจะเรียนถ้าอยากปฏิบัติธรมมมมรมสบายๆ น, นี่ไม่มีใครเรียนบาลีกันหรอกพระป่านี้ไม่มีใครเรียนตะเรียนกันนะอก อย่างว่ท่านกำเรียนแค่นักธรรตรีทุโทเองอย่างน้องตามมาครูก็ต่อด้วยประเรียนสามประโยคก็พอแล้วเรียนแค่นี้ก็พอแล้วเพราะท่านรู้แล้วว่ามันมือนแค่เรียนเป็นภาษาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรที่จะเกี่ยวกับทําให้การปฏิบัติรู้แจ้งได้อย่างไม่ได้สนับสนุนการรู้แจ้งเห็นจริงก็เลยไม่ต้องการเสียเวลา พอเรียนพวกไวยากรณ์เรียนอะไรต่างๆของภาษาท่านก่วยมุ่งกห อ, อังกไปปฏิบัติได้ยินข่าวว่าเมีหลวงปู่ม่านบรรลุเป็นพระแล้วก็เลยยิ่งเกิดศรัทธาในตัวท่านพอรู้าท่านอยู่ที่ไหนก็พอก็พอจบประเรียนสามท่านก็ไปเลยเหมือนท่านได้พรรษาหกพรรษาหกจบประเรียนได้ยินข่าวหลวงปู่ม่านอยู่อุดรก็ตามไป อตามไปจนไปท่านท่านก็นไปที่ที่อิสกลนครที่ท่านหลวงปู่มั่นไปอยู่ก็ได้ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเก้าปีนู้กันแต่างนั้นหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพไปอาจารย์ครับตอนที่หลวงตาไปเจอหลวงปู่มั่นนี่คือช่วงปลายๆของหลวงปู่มั่นนะครับมีมีพระผู้ใหญ่กว่าเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คือหลวงปู่มั่นมิหลายมือเลรั่ง รุ่นที่มีภาษามากครับุ่นนุ่งปูแวนนุ่งปูขาวนุ่งปูเทศนี่เป็นรุ่นที่รุ่นรุ่นแรกของโลกศิลป์สามารถก้าวมาพวกรุ่นรุ่นรุ่นต่อมาคับพวกรุ่นชองตามหาบัวรุ่นช่งนุ่งปูฟันนุ่งปูพระเจ้าของคุณอท่านารดีวัดสุวารการามวันนี้ ก็มีแบ่งเป็นรุ่มที่ไปศึกษาการบำรุงห้านกันคนที่นอนไม่สบายอยู่นานเป็นเพราะว่าต้องใช้กรรมใช่ไหมครับเมื่อพูดยากนะั้นเรื่องกรรมเนี่ยเหมือนจะพูดเรื่องนี้ว่าเรื่องนอนไม่สบายแล้วมันใช้กรรมมันก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะการนอนไม่สบายมันก็อาจจะมีหลายสาเหตุด้วยกัน คถามจากคุณอัญชลีข้อที่หนึ่งครับทําไมเด็กถึงสามารถได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งที่คนปกติมองไม่เห็นได้มากกว่าผู้ใหญ่ครับเด็กทุกคนหรือเปล่าถ้าเด็กทุกคนคงไม่ใช่น ะ, ะแต่เป็นเด็กบางคนนี่อาจจะเป็นไปได้เพราะเด็กแต่ละคนนี่มีดวงวิญญาณเขาจิตเข้านี้มันไม่ได้ใช่เป็นเด็กดอะดวงวิญญาณของพวกเราจิตของเราทุกคนนี่มีอายุเท่ากันถึงแม้ร่างกายจะเป็นเด็ก่ แต่ความ ร, รู้ความสามารถในเด็กบางคนเป็นอัจฉริยะใช่ไหมเด็กอัจฉริยะสอบเข้าหมาหลาลัยได้ตั้งแต่อายุสิบขวบนี่ยังเป็นเด็กอยู่แต่ใจเขาไม่ได้เป็นเด็กใจเขาเพียรด้วยปัญญาด้วยบา ร, รมีต่างๆก็เลยทําให้เขาเป็นเด็กอัจฉริยะขึ้นมาเด็กบางคนนี่จิตบางคนก็อาจจะมีมียพิญญา มีหูทิกตาทิเนี่ยพวกนี้เขาว่ามันติดบาเกยกับใจไม่ได้มามากับร่างกายเด็กบางคนเราลึกชาติได้พอมาเกิดปั๊บก็ระลึกชาติได้ว่าอยู่ที่ไหนชาติก่อนจําได้อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ติดมากับกับจิตใจของแต่ละดวงเนื่องจากการบําเพ็ญบุญกุศลบา ร, รมีต่างๆมามากน้อยไม่เท่ากัน ก็เลยได้ความรู้ความสามารถต่างๆมาไม่มากน้อยไม่เท่ากันข้อที่สองครับบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้เสียชีวิตจะได้รับผลบุญมากที่สุดครับก็มีอยสองอย่างถ้าถ้าสนใจธรรมะแล้วสามารถติดต่อกับพระอรหันที่แสดงธรรมโปรดได้จะ ต, ต้องไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพอย่างนี้อย่างพุทธมารดา ของพระเจ้าเนี่ยหายไปนะครับไปอยู่บนสวรรค์ชัน้นเทพนะคพอพระเจ้าตรัสรู้ก็ทรงใช้ยานอย่างรู้ว่าพุทธมานานอยู่ที่ไหนพอพบปะกันเจอกันก็เลยปวดเม่ตาแสดงทำให้สามเดินด้ว่กันจนบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระวิริยะบุคคลขั้นที่หนึนะ่งแต่นี่ต้องมีเพตปัจจัย ดวงวิญญาณของผู้ตายก็ต้องเป็นเทพนี่ต้องเป็นดวงวิญญาณที่ไฝ่ใฝบุญไฝ่กุศลชอบธรรมะอยู่แล้วชอบปฏิบัติอยู่แล้วพอมีครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธเจ้ามาสอนธรรมะก็สามารถบรรลุธรรมได้ภายในสามเดือนด้คันถ้าไม่มีอย่างนี้ไม่มีบุญที่เป็นจิกวาณเป็นเทพถ้า ต, ตายไปน่ไปเป็นเปรต อย่างนี really ้ก to ็สิ่งเดียวที่ทำได้ก็รอรับชนบุญจากการทำบุญทำทานของญาติพี่น้องที่ก็จะกวนน้ำทิพยไปให้อาจารย์ครับการนั่งสมาธิต้องมีครูบาอาจารย์สอนไหมครับก็เหมือนกับเีนหนังสือต้องมีครูบาอาจารย์สอนอยู่ดีๆเราจะไม่เรียนเองได้หรอเปล่าจะไปเป็นหมอก็ต้องไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่รู้วิธีรักษาพยาบาล จนั่งสมาธิถ้าเราไม่รู้จักนั่งเองเราก็ต้องเนให้หาคนที่เขารู้จักวิธีนั่งสอนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวิชาต่างๆขอธรรมะวันสงกรานต์จากอาจารย์ครับก็นี่แหละอัตตาคือย่างต้นแล้วเถอะคือตอนเป็นที่พึ้นของตนการกระทําของตนนี้จะเป็นผู้ที่จะให้ผลดีหรือผลชั่วกับตนเอง ถ้าอยากจะได้ผลดีก็ทำบุญอย่าทำบาปคุณเคสถามว่าทำยังไงจะให้เป็นคนตรงต่อเวลาได้ครับก็บังคับตัวเองตองบังคับตัวงให้ให้ให้มีความแน่วแน่อย่างนี้นก็เั็นเหนเพราะสติไม่ค่อยดีชอบเผลอชอบนึง่ง มันก็เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วก็เลยเถิดไปทําสิ่งนั้นวันหนึ่งเวลาที่จะต้องไปทําที่เวลาที่ต้องทําเห็นต้องต้องฝึกสติแล้วต้องคอยเตือนตอนเองอยู่เรียกว่าวันนี้มีมีนัดที่ต้องทําอะไรเวลาไหนคอยเตือนตอนเองได้เพื่อไม่ให้ลืมเผือเวลาจะไปทําอะไรจะได้อกําหนดเวลาให้ถูกต้องได้ถ้าไม่มีสติไม่มีการกําหนดรู้เวลา เวลาไปทําอะไรก็เพลินกับสิ่งที่ทําไปมันก็อาจจะลืมการที่เราต้องไปทําอะไรในอีกเวลาหนึ่งได้คุณสมพรบอกว่าขอธรรมะในการฝังฝันเลี้ยงรุ่นกับ เ, เพื่อนๆครับทํามะเลี้ยงรุ่นครับ <c oughs> ช่วยกันไปทําบุญที่วัดนั่นดีที่สุดอย่าไปกินเหล้ามเมาอยา อย่าไม่ว่าหมายว่าว e ัดไปถวายทำบุญฟังเทศฟังธรรมนั <ownership> yeah, ่งสมาธิจากการฟังทางช่องทางออนไลน์อย่างนี้ถือว่ามีครูแล้วไหมครับก็มีก็ถ้าท่านสอนนั่งสมาธิก็ถือว่าก็มีครูสอนนั่งสมาธิแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติ ถ้าไม่ไม่ฟังออนไลน์มาอ่านหนังสือธรรมะต่างๆก็ได้ที่สอนวิธีปฏิบัติสมาธิแต่ต้องเขาา้าใจนะว่าการทําวิธีสมาธินี้อาจจะมีหลากหลายวิธีได้กันพราะฉะนั้นเราก็ลองอาจจ ะ, ะรู้จักแยกแยะหรือว่าแบบไหนจะถูกกำลังหรือไม่เพราะวิธีทําสมาธินี้กรรมฐานน้องสี่สิชนิดด้วยกัน บางแห่งก็สอนให้บริกรรมพุโทโธบางแห่งก็สอนให้ดู่มหายใจเข้าออกที่ปลายจมกูกบางแห่งก็สอนให้ดูยุบหนอ่อพองหนอ่อบางแห่งก็สอนให้เพ่งดูยุ่แก้วอันนี้ก็เป็นวิธีทำสมาธิ่ด้เหมือนกันที่เราก็ต้องรู้ว่าจิตเราเราถูกกับวิธีไหนเราก็ลองไปศึกษาวิธีนั้นดู คุณชานยุทธครับพระอรหันต์มีสี่ประเภทนี้คือถ้าเราอยากเป็นพระอรหันต์ประเภทไหนเราก็ปฏิบัติให้ได้แบบนั้นหรือวาดแล้วแต่ว่าสนาเราว่าจะเป็นประเภทไหนครับคือเป้าหมายหลักของการเป็นพระอาหารหันต์ก็คือการสิ้นกิเลสปฏิบัติเพื่อดับอาชกิเลสอาสวะที่มีในใจให้หมดสิ้นไปนี่คือการเป็นพระอาหารหันต์แค่นี้แต่บางคนนี่มีบา ร, รมีเก่าติดมาด้วย พอทำให้จิตใจซึ่งกิเลสแล้วเป็นผ้าลานะแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษที่เคยฝึกฝนอบรมติดมาด้วยกับตุนบางคนก็รับรสชาติได้บางคนก็มีอภิญญามีมีมิติบินเดนมีหูทิพตาทิพอ่านจิตใจของคนอื่นได้ติดตากับเทวดาได้เป็นต้นบางคนก็มีความสามารถในการสั่งสอนในการ แสดงความรู้ให้กับผู้อื่ให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายผู้นี้อาจจะเป็นพวกครูบาอาจารย์ในวิชาทำเกิดมากี่ชาติก็มาเป็นอาจารย์อยู่นี่เลยเป็นอาจารย์หมอเป็นอาจารย์อะไรก็ตามเป็นคนที่มีความสามารถมีทักษะในการสั่งสอนคนสามารถยกตัวอย่างต่างๆขึ้นมาเปรียบเทียบให้ให้ผู้ฟังได้เห็นได้เข้าใจถึงหลักของธรรมที่กําลัง ศึกษาอยู่ว่าเป็นอย่างไรพรางนี้เป็นความรู้สามารถพิเศษที่ติดมากับตนที่เรียกว่าว า, วาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการสิ้นกิเลสการกําจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นมาจากใจอันนี้เป็นเป็นผ้าหนาชนิดแรกอาจจะไม่มีวาสนาอะไรติดตัวมาเลยไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไ น, น่ชาติไม่ไนดะ้ไม่มีควารมรู้คามสามารถที่จะสัสอนใครไนดะ้ หรือถ้าแบบท่านมีเต็มร้อยก็แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีทุกอย่างเลยเช่นกิเลสแล้วแล้วยังมีระลึกชาญได้แล้ ว, ลวยังมีอภินยญญานีหูทิพตาทิพสามารถติดต่อกับกายทิพต่างๆได้แล้วก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมให้พูดได้ยินได้ฟังให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพระุทธเานี้มีครบทุกอย่างเลยเนื่องจากว่าท่านนั่นงทรงมาเป็นบรมี อ <c oughs> ย่างสุดๆดก็เลยได้ได้ความสามารถพิเศษแต่ความสามารถพิเศษเหล่านี้ไม่สามารถทำให้หมดพ้นจากความทุกข์ได้โดยกาจะมาตัดสูุพรริยาศาสตร์สีตายรับยิงสามารถทำให้กำจัดกินเลสตัสวาให้หมดสิ้นมรอยากใหญ่ได้พอเป็นพระแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่ไปเรียนมาเพิ่ม ติดตามมาด้วยก็เลิลเล่าเรืชาติได้สอนเทวดาได้สอนมนุษย์ได้ให้มนุษย์ทำได้อย่างง่ายดายัล้วนวดเดียวก็มีสี่ประเภทด้วยกันที่บ้านเปิดเป็นเปิด เ, เป็นร้านขายข้าวแกงเราไม่ว่างใส่บาทแต่ให้ลูกจ้างใส่ให้แบบนี้ใครได้บุญครับถ้าเป็นของของเราเราก็ได้บุญ แต่สิ่งที่เราขาดก็คือความเพียรเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเราไม่เอาเวลามาให้กับการทำทานคุณใจครับเพื่อนเปิดบอนเปิดเปิดขออภัยครับเปิดบ่อตกปลาเขานับถือคริสเตียนแต่เราพุทธสีลห้าแต่เพื่อนเปิดบ่อตกปลาโฆษณาทางเราไม่สนับสนุนแต่กดแชร์กดไลค์ในเพจเราบาปไหมครับ ก็ไม่สนับสนุนก็ไปกดแชร์กดไลค์ทำ ไ, ไมการกดแชร์กดไลค์มันก็บอกเป็นการสนับสนุนส่งเสริมก็อยู่แล้วให้เขาทํำบาปได้กว้างขวางยิ่งขึ้นถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ต้องไปกดแชร์กดไลค์ไปทั้งเองอันนี้นะที่หลวงตาท่านเคยพูดอยู่ว่าท่านไม่เก่งใจคนท่านเก่งทำเก่งใจทำเพราะถ้าเก่งใจคนทำก็จะแหลก บางทีเขาเป็นเพื่อนเราก็เขาไบอกว่าช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยอ่ะเราก็ไม่อยากที่จะเสียเพื่อนก็เลยกดแชร์กดไลค์ไปให้เขาสนับสนุนนะให้ให้คนมาสนับสนุนในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราเราเรามีาความเคารพในธรรมมากกว่าความเก่งใจคนเราก็ไม่เก่งใจเราก็ไม่กดแชร์กดได้เพื่อนถามก็บอกไม่ได้กดเขาถามว่าทําไมาว่ามันไม่ดี บอกเขาไปแต่เขาไม่พอใจเลิกเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรแต่เรารักษาทำไว้ดีกว่าขอคําแนะนําการนั่งสมาธิครับอาจารย์การจะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติถ้าไม่มีสตินั่งไปก็ไม่สามารถที่จะทําทให้ใจสงบได้ดังนั้นสิ่งแรกรที่ต้อก่อนก็คือก่อนที่จะมานั่งสมาธิก็คือฝึกสติ คือคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยเปื่อยไม่ให้คิดฟุง้งซ่านทําให้ใจคิดให้น้อยที่สุดไม่คิดเท่าที่จำเป็นด้วยการใช้กรรมฐานอารมณ์อันใดอันหนึ่งคอยเบรคความคิดใช้ในการบุกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆในขณะที่เรายังไม่นั่งสมาธิในขณะที่เราทำอะไรต่างๆถ้าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดก็หยุดความคิดด้วยการบรตรกรรมพุโทโธพุโทโธไป ถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้ต่อเนื่องแล้วมันนั่งสมาธิแล้วก็นั่งหลับตาแล้วเราก็บริกรรมพุโทโธไปเดี๋ยวๆจิตก็จะสงบได้คุณแสงธรรมครับนั่งสมาธิไม่ค่อยได้นานเพื่อชีวิตประจำวันพุโทโธตลอดที่คิดได้อย่างนี้ถูกทางไหมครับเพื่อมาครึ่งทางแล้วมากำลังเจริญเสด็อยู่ แต่สติยังอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะทาให้นั่งสมาธิให้ได้อนยะ่างพยายามทําสติให้มากขึ้นอย่าให้เผลอบ่อยพยายามให้มีสติต่อนเนื่องอยู่ให้จิตอยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงอดีตอนาคตคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้บุกคล น, นั้นบุคคล น, นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับร่างกายของเราที่กําลังเคลื่อนหวอยู่ ให้เรารู้ว่าร่างกายเรากาำลังทําอะไรอยู่ถ้าเราสวดมนต์ในใจไม่ได้สวดออกเสียงได้ไหมครับได้ดีสิจะได้ไม่ไปรบคนคนอื่นแล้วก็จะทําให้จิตเราไปนั่งสันนิษฐานที่มันก็จะทําให้สงบได้ง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเรายังไม่ใช้ร่างกายให้สวดออกเสียงอยู่จิตก็ยังต้องทํางานอยู่ <c oughs> ถ้าการปฏิบัติธรรมเราไปปฏิบัติธรรมแบบไปกลับไม่ได้ค้างแต่ไปปฏิบัติที่วัดถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไหมครับเป็นแต่มันจะมีความเข้มข้นต่างกันทั้งนั้นถ้าอยากจะได้ความเข้มข้นก็อยู่ที่วัดไปเลยไม่นอออกมาแล้การออกมาจากวัด น, นี่มันก็อาจจะกลับมาแล้วก็มา เจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าอยู่วัด น, นี้โอกาสที่จะเจอสิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดกิเลสขึ้นมามันก็น้อยกว่ามันจะช่วยทำให้การปฏิบัติของเรานี่ไปได้สะดวกกว่าได้ง่ายกว่าการที่เราไปกลับไปกลับแต่ถ้าเบื้องต้นถ้ายังไม่พร้อมที่จะไปอยู่วัดเลยก็ก็ทำแบบไปกลับไปก่อน ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสะดอกเคราะห์ต่อชะตาใช่ไหมครับถูกต้อ ง, ตองแต่เราก็ต้องอยอมรับ ว, ว่าชีวิตนอกจากการกระทำของเราแล้วมันก็มีปัจจัยอย่างอื่นที่อาจจะมามีผลต่อชีวิตของเราก็ได้เห็นเช่นภัยธรรมชาติอย่างนี้แผ่นดินไหวน้าท่วมไฟไหม้ภัยวุติเหตุตา่าง ที่เราไม่ได้เป็นผู้ทํามันเกิดขึ้นมาแต่มันก็เกิดขึ้นเหตุสุดวิสัยต่างๆ่องนี่มันก็มีผลต่อชีวิตของเราได้ถ้าแ ต, แ ต, แต่ถ้าพูดถึงผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานี้มันเกิดจากการกระทําของเรารุ่มๆเลยจิตของเราเป็นผู้รับผลจากการกระทํำของเจของเราน้อยเปอร์เซ็นตเลยถ้าเราคิดดีใจเราก็จะมีความสุขทันที คิดไม่ดีใจเราก็จะทุกขึ้นมาทันทีเลยคุณอัจฉราครับการอุทิศส่วนกุศลที่เราทำบุญสามารถอุทิศให้คนที่ไม่ใช่ญาติหรือคนที่รู้จักที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่ครับได้ทุกว้นชุบดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วนี่เราสามารถอุทิศให้กับเขาได้คุณแม่ป่วยมาก จะซื้อผ้าตรายจีวร น, นําไปถวายเป็นสังฆทานได้ไหมครับได้แต่แม่คุณแม่ไม่ได้บุญนะนอกจากว่าถ้าคุณแม่เป็นคนพูดเองมาอช่วยไปซื้อสังฆทานแล้วเาเงินของคุณแม่ด้วยคุณแม่ถึงจะได้บุญแต่เราเงินของเราแล้วเป็นความคิดของเราแล้วบอกว่าไปทําบุญให้แม่เลยแม่ไม่ง่ายเลยแม่แต่นิดเดียวเป็นบุญของเราทั้งหมด เมตตากับกรุณาต่างกันอย่างไรครับหนูเข้าใจว่าการุณาคืออีกขั้นของความเมตตามาตลอดมันถูกไหมครับคือเมตตาคือความปรารถนาดีคือ ม, มิตรภาพเวลาพบปากับใครก็ถือว่าเขาเป็นเมตนกับเรามีความปรารถนาดีว่ามีเขาอยากจะให้เขามีความสุขเรียกว่าเมตตาส่วนการุณานี่คือการเห็นคนอื่นที่เขาทุกข์แล้วอยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขา เช่นคนเจอรประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างนี้แผ่นดินถล่บอกอย่างนี้ก็สงสารเขาก็เขไปช่วยเขาทําตั้นช่วยมาช่วยกันกดหาซากคนที่ติดอยู่ในในในซากปรักหักพังอันนี้เรียกว่าการูนาการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้อื่นด้วยงานที่เป็นสาธารณสมบัติสาธารณประโยชน์ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการบรรเทาทุกข์ที่มันเอาต็กตึงเริ่มมาตันอยู่ คนที่ไหนมีความทุกข์เขาก็จะรีบไปช่วยทันทีอันนี้เรียกว่าความกรุณาแต่ภาษาเรามาักใช้คําว่าเมตตาคุมไปหมดเลยมันก็เป็นเมตตาด้วยออถ้าเราไม่มีความเมตตาเราก็จะไม่มีความกรุณาไม่ค่อยได้ใส่บาตรแต่ว่าเลี้ยงข้าวเพื่อนอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ การที่เราให้ความรักกับสัตว์จรจัดไม่ว่าเขาจะไม่น่ารักพิการหรือว่าขี้เรือนเป็นความเมตตาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วคนที่เก็บสัตว์จรมาเลี้ยงได้บุญไหมครับได้เป็นการณามากกว่าเมตตาเขาเมตตาด้วยการณาด้วยกันนะแต่เราม่ใจะใช้คำเมตตาทัานทันแต่เราเห็นเขาทุกยากอย่างนั้นเราก็มาช่วยเหลือเขานีาอย่นี้คือการณา ขายข้าวมันไก่ครับขายดีต้องสั่งไก่สดจํานวนมากอย่างนี้บาปไหมครับบาปเพราะว่าบาปที้เกิดขึ้นด้วยการกระทําของเราเองหรือสั่งให้คนอื่นเขาทาแทนเราก็บาปเหมือนกันถ้าไม่อยากจะบาปก็ต้องไปซื้อของที่เขาขายอยู่ในตลาดโดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับของเหล่านั้นอย่างั้ไม่บาป เพิ่งเข้ารับราชการครับเหตุหัวหน้าทุจริตเงินราชการเราไม่ควรเตือนหรือควรจะเตือนหัวหน้าครับมันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ของเราเราก็เตือนได้เวลาเขาสั่งไว้นงหน้าว่าถ้าเห็นเขาทําผิดอะไรช่วยเตือนด้วยเราก็ทําได้แต่ถ้าเขาไม่มีคําสั่งคาบอกให้เราไปเตือนเขามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปเตือนเขา ก็อยากจะลองเตือนก็นได้ก็ดูลผลจากการเตือนของเราว่าเขาพอใจไหมเขาขอบคุณยกมุอไหวเราหร้อเปล่าหรือเขากลับโกดธเราขึ้นมามันก็มีผลที่กระทบเรากลับมาที่เราตอนนี้หนูหมู่บ้าน ว, วางยาแมวจรครับจะช่วยหรือวางใจอย่างไรได้บ้างครับถ้าช่วยเราไม่ได้ก็ถือว่าบเป็ุกรรมนเป็นกรนนกรม ของสัตว์ก็แล้วกันแต่ถ้าเราช่วยช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ถ้ามันสุดวิสัยนนั้ที่ไม่สามารถมาช่วยอะไรเขาได้ก็ต้องปลงเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมของเขาไปเปรียนถามพระอาจารย์ครับมีข้อขัดแย้งอยู่สองอย่างคือทางโลกต้องกอบโกยเข้าหาตัวเองมากๆแต่ทางธรรมต้องสละออกแต่เรายังต้องมีค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบอยู่ จะมีวิธีอย่างไรให้บาลานซ์กันครับเออก็ต้องใช้หลักมากน้อยสั่นโดยไงให้ให้มีเท่าที่จําเป็นจะต้องมีปจัจจัยสีเช่นเสื้อผ้านี่เราต้องมีกี่ชุดใช่ไหมอาหารแล้นกินกี่มือ้อแล้วก็อาหารจําเป็นจะต้องเป็นราคาแพงๆหรือไม่หรือว่าอาารราคาถูกๆก็สามารถที่จะทําหน้าที่ได้ก็ให้ใช้หลักมากน้อย ใช้ให้น้อยที่สุดใช้รายใจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จ่ายเท่า ท, ที่จะเป็นแต่ไม่น้อยจะกระทั่งเกิดความเสียหายเดีอดร้อนต่อร่างกายดูความดูความต้องการของร่างกายเป็นหลักทางทางอทางสุขภาพเป็นหลักแล้วก็ดูร่างกายไปไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็จะทําให้เรา คอยางความล่วงได้น้างน้อยรู้สันโดดยินดีตามมีตามเกิดส่งจิตนึกถึงผู้ล่วงลับอย่างไรให้เขารู้ครับเราต้องมีวิญญาณต้องมีอภินยาเราสามารถติดต่อกับคนตายได้ท่านั้นเราถึงจะสามารถส่งจิตของเราไปหาเขาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามาเพาะว่าจะไปหาเขาได้ถ้าเขาไม่มารับเราก็ไม่สามารถส่งให้กับเขาได้ แต่ถ้าเขาม า, มาอยากจะมาคุยกับเรามาพบเราแต่เราไม่มีความสามารถเราก็คุยกับเขาไม่ได้ต้องมีแม้กระทั่งคนที่มีมือถือเครื่องหนึง่งอีกคนไม่มีก็ติดต่อกันไม่ได้ต้องมีมือถือทั้งสองเครื่องถึงจะสามารถติดต่อกันได้คุณสิริครับพระเดินทางจ่ายค่าโดยสารใช้แอปธนาคารแบบนี้จะผิดศีลว่าด้วยการจับเงินไหมครับตอนนี้เขาก็ไม่ถือว่าเป็นเงินนี่ย แอปจะเอปโทรศัพท์คนโทรศัพท์ทำได้แล้วก็โอนเงินบอยจากอยู่ได้ไงครับทํางินทำทางไปอยู่ด้ไหครับการลอยอังคารจําเป็นไหมครับมันวิธีหนึ่งที่กาจัดซากซากของร่างกายให้หมดสิ้นไปจะไปลอยอังคารไปฝังดินอย่างน้องตามาบอว กระดูกที่เท่าของของแม่ของท่านท่านเอาไปโรยที่คนต้นโพทำเป็นปุ๋ยไปความเชื่อของวันสงกรานต์แต่ละภาคของประเทศไทยมีความต่างกันไปตามภูมิภาคซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยากทราบจุดเหมือนจุดที่ร่วมกันของวันสงการานต์ปีใหม่จากพระอาจารย์ครับเราไม่ทราบครับ เ, เราไม่ครับเราไม่รู้จะตามเลยเราไม่เค่อยได้มี เหตุเพราะการเล่นพิธีกรรมเหล่านี้ก็รู้ว่าเป็นมังคุดใหม่ทั้านของไทยเราแล้วก็มีธรอันนีมก็รดน้ํานํำหูกันสมัยก่อนก็ไม่ได้เล่นน้ําแบบสมัยนี้กันเข้าน้ําไปแสดงความคารวะไปกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นวิธีการแสดงความเคารพความนับถือแสดงความกตัญญูกตเวทีขและทราบซึ่งในบุญคุณของผู้ผู้ใหญ่ ด้วยการเอาน้ำไปไปลุกน้ำให้กับท่านโดยเราขอพรจากท่านแต่สมาธนี้มันวานปลายเปนะ็นการเอามาเล่นน้าําสาดน้ํากันจนากระทั่งกลายเป็นเรื่องของโลกโลกไปเรื่องของการมานมไปหมุนซ้ายน้อยไม่โอกาสจะได้แต่ดเนต้องตัวกันเื่นกันเลยไปซื้อหวย ขอไปครับซื้อหอยจากแม่ค้ามาให้พ่อไปปล่อยอย่างนี้เราได้บุญมากไหมครับเราได้บุญแต่เราไปใช้พ่อด้วยพ่อไม่ได้อะไรเลยพ่อต้องรับใช้เราพ่อไม่ได้บุญจากการไปปล่อยเอาจจะได้จากการรับใช้เราเท่านั้นเองเราไปใช้พ่อโดยที่เราม่รู้สึกตัวแล้วพี่ว่าเราจะให้พ่อได้ทําบุญมันกําลังินให้พ่อเราบอกพ่อเนี่ยพ่อว่าเอาไปทําบุญนะ อันี้พ่อถ้าพ่อเอาไปทําบุญพ่อไม่ได้บุญเลยพ่อมันไม่ได้เป็นการของท่านแล้วก็ไม่ได้ออกจากความคิดของท่านเองถ้าอยากจะให้ท่านทําบุญก็ให้เงินท่านไปเฉยๆแล้วถ้าท่านอยากจะทําบุญท่านก็เอาไปทําบุญอย่างนี้ท่านถึงจะได้บุญแต่อย่าไม่พูดว่าเอาไปทําบุญนะพอพูดนี้ปั๊บเหนกับเงินนี้ไม่ได้ให้พ่อนะให้พ่อไปทําบุญใช่ไหมแล้วพ่อทําบุญก็ไม่ใช่บุญของพ่อครับเพราะไม่ใช่เงินของพ่อ นั่ก็ไม่ใช่ความคิดของพ่อเป็นความคิดของคนให้เงินพ่อไปหากเรายังรู้สึกเบื่อในการนั่งสมาธิเราควรปฏิบัติอย่างไรให้มีใจที่อยากนั่งทุกวันครับก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะง่ายขึ้นแล้วได้มีผลมากขึ้นแล้วความเบื่อมันก็จะหมดไปต่อไป มึงโดนก็นต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนให้มีความสัตย์เถอะสัตย์สาการนักสมาธินี้ถ้าได้ผลแนละ้วมันจะได้ผลที่น้อยกว่าสิ่งต่งตางๆความสุขต่งตางๆที่เราเคยได้มาถ้าตัวเราป่วยต้องทำบุญอย่างไรให้หนักเป็นเบาได้ครับไม่เกี่ยวเลยเนาะบุญไม่ได้มาทำาให้โรคภายการเจ็บเบาบางได้เลย นอกจากพมหน้าท่านิอาจจะช่วยได้ถ้าเราทำบุญทำทานในพรหมในชาตินี้ชาติหน้าเราไปเกิดเอาจจะไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บเบียนเบียนได้แตถ้ามีโครคภัยไข้เจ็บในชาตินี้ก็เอาเงินไปซื้อยามากินดีกว่าหรือเอาเงินไปทําบุญมันไม่ตรงมันไม่ตรงกั บ, กบวิธีที่รักษาร่างกายอยากให้ลบเบาบางลงเอาเงินที่เราจะไปทําบุญ น, นี้เอาไปซื้อยาหรือไปหาหมอ อย่งเงินค่าหมอข่ายานดีกว่าหากจะระลึกถึงมรณานุสติในทุกๆวันต้องกําหนดอย่างไรครับตอนนี้วราเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงเว้นความตายไม่ได้แล้วเราอาจจะตายได้ทุกเวลาเวลาใดที่เราไม่หายใจเราก็ตายนะอย่างที่พระเจ้าสอนพระบอกว่า ถ้าเธอหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเธอก็ตายถ้าเธอหายใจออกแล้วเธอไม่หายใจเข้าเธอก็ตายให้คิแค่นี้ความตายอยู่ที่การหายใจนี่การหยุดหายใจเมื่อไม่มีลมหายใจแล้วความตายก็มาถึงเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อาจจะตายวันนี้คืนนี้ก็ได้หรือจจะพรุ่งนี้หรือปีหน้าหรืออะไรก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันแต่เพื่อความไม่สบายขอให้เราสมมติว่าเราอาจจะตายวันนี้เลยดีกว่า อาจจะได้เตรียมตัวเตรียมนับกับความจริงที่ยังเกิดขึ้นก่อนคุณพ่อเสียชีวิตได้สั่งลูกไว้ว่าให้ถวายรถให้วัดอย่างนี้คุณพ่อได้บุญไหมครับไม่ได้บุญเนอะเพราะว่าคุณพ่อไม่รู้ใ น, เ ว, นเวลาที่ท่านตายว่ารถได้เอาไปถวายให้หรือไม่ถ้าอยากจะได้บุญท่านตอารู้ท่านถวายตอนก่อนท่านตายท่านจะได้รับรู้อว่ารถที่ที่สั่งไว้นได้ไป ทำบุญให้กับวัดเรยมา้อยแล้วท่านก็ได้กิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแต่ว่าท่านตายไปนี่ท่านไม่สามารถรับบุญในร้าวัดว่านนั้นอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเจ้าของบริษัทเคยสัญญากับพนักงานว่าจะไม่แก้ไขปัญหาโดยไม่โดยไม่เอาคนออกจากงานแต่ปัจจุบันเขาทำแบบนั้นโดยไม่รักษาสัญญาทั้งที่เขาเป็นคนถือสีปฏิบัติธรรมตลอดนี่หมายถึงว่าเขาผิดสีข้อสีแล้วใช่หรือไม่ครับ จะว่าผิดก็ผิดแต่บางทีเราก็อาจจะอางว่ามันเป็นเรื่องเหตุสวิสัยที่เขาอาจจะเวลาพูดก็อาจจะไม่ได้บอกบอกรายละเอียดแล้วเขาก็รับสมัยว่าถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุที่เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เขาก็ต้องทําตามดังั้นเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าอนาคตว่าจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างไรถ้าพูดถึงสถานะภาพในปัจจุบันก็พูดได้ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันดีหมดรายได้ก็ดีอะไรก็ดี ก็ก็สามารถที่จะไม่ไม่ปล่อยไม่ปลดคนงานออกได้แต่ถ้ามาอยู่ในในเหตุการณ์ีเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากปลดคนงานออกือให้ก็ทําอย่างไรก็เป็นข้อบอกพร่องของเเองเวลาที่ให้คาสัญญาไม่ไม่พูดให้รายละเอียดในเวลาสัญญาใครคนจะมีท่าไว้ก่อนถ้าไม่เจ็บใครได้ป่วยถ้าไม่ ถ้าไม่ตายไ้ก่อนเมื่องอะไรนีออ้เราคุยได้ตันงมีท่าไว้ถหน่อยมันจะได้ไม่ผิดสัญญาถ้าเราโดนเขากงเงินแสดงว่าชาติก่อนเราเคยไปโกงเงินของมาก่อนใช่ไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะคิดกันเลยแต่เราไม่รู้รถ้าเราไม่ถ้าเรามเลิกชาติไม่ได้แต่เราก็สามารถคิดในตราบกฎแห่งกรรมว่าทําสิ่งใดไว้กับใครสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเรา สมพรครับคนที่เรียนเก่งเรียนไม่เก่งไม่ได้เกี่ยวกับฐานะดีฐานะไม่ดีใช่ไหมครับแต่แนวโน้มฐานะดีก็จะมีความพร้อมมากกว่ามีแนวโน้มที่จะเรียนดีแต่ก็มีคนฐานะยากจนมากๆแต่สมองดีเรียนดีแต่ยากจนก็มีให้เห็นเป็นปกติขอถามพระอาจารย์ว่ามีเหตุอันใดในทางพระพุทธศาสนาที่ทําให้คนเรามีปัญญาหรือเรียนเก่งเรียนอ่อนต่างกันครับโดยหลักก็สตินี่แหละเป็นตัวสําคัญ เพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเวลาเราอาร่านหนังสือก็อ่านไม่รู้เรื่องเวลาฟังครูสอนก็ฟังไม่เข้าใจว่าใจเราลอยใจเราไม่ได้ตั้งอยู่กับการอ่านหนังสือไม่อยู่กับการฟังคําสอ <S <S นของครูบาอาจารย์ตา่างๆฟังก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นปัญหาหลักก็คือการมีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสติเวลาอา่านหนังสือก็จ ะ, จะจก็จะเข้าใจเวลาฟังคําสอนก็จะเข้าใจ พอใจไม่น้อยไปที่อื่นใจตั้งอยู่ตั้งใจฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวอันนี้แะเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่สุดในการที่จะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาต้องมีสติมาก่อนพระอาจาถึงบอกว่าทำที่สําคัญที่สุดก็คือสตินถ้าไม่มีสติแล้วทำอย่างนี้เมือนจกนขึ้นได้ยากไม่ว่าจะเป็นสีงจะเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาเนี่ยต้องมีสติเป็นผู้ผู้นํา คนที่ให้อาหารสัตว์ที่สาธารณะแล้วสัตว์ก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเพื่อมารออาหารสาธารณะนั้นอย่างนี้เป็นบุญไหมครับก็เป็นบุญนีการให้มันเป็นบุญแต่ก็าจะไปสร้างปัญหาให้กับสาธารณะอันนั้นก็คนทําบุญตรงเทีก็ต้องรอบคอบหน่อยว่าการกระทำของเรานี้เป็นบุญแล้วมันเป็นเป็นโทษกับผู้อื่นด้หรือเปล่าถ้าเป็นโทษกับผู้อ่นก็าจะต้องคิดหนักว่าเจ้ายังไงดี ถ้าเราต้องเป็นคนที่รับผลกระทบเราจะยังทำบุญต่อไปอยู่เลยบางคนทำบุญแล้วก็เอาใส่อาหารมาใส่ถุงไปพอเตีอาหารออกก็ถุงนึงถุงที่ใส่อาหารมาก็ปล่อยที่ไม่ถังนะั้นนะกลายเป็นขยะเต็มไปหมดเร่ีอันนี้ก็ทำทั้งบุญทำทั้งบาป ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านจะเน้นการปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติจนเกิดปัญญาเห็นด้วยปัญญาตนเองจากการปฏิบัติเป็นหลักไม่เน้นการติดตำราติดตัวหนังสือโยมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือยังครับหรือว่ามีทั้งปฏิบัติและศึกษาเล่าลเรียนจากตำราหนังสือธรรมครับก็สมัยก่อนส่วนใหญ่คนเราจะไม่ได้เรียนหนังสือกันก็เลยอาศัยการฟังเป็นหลักการเรียนด้วยการฟังแม้กระทั่งสมัยที่เราไปปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตาน ท่านก็นหนังสือจากใเรอาอ่านท่านก็นจะเรียกมาอบรมทุกกระทิตย์ทุกสี่ห้าวันไม่มาช่วงนั้นท่านว่างท่านก็นจะเรียกามาอบรมเสี่ห้าสี่ห้าวันก็ได้มาอบรมครั้งหนึ่งมาฟังเทศน์ฟังธรรมัาเล่าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าองปฏิบัติอย่างไรถ้าได้ยินในฟังอยู่เป็นประจําก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอ่าน ห, หนังสือก็ได้แต่ต้องต้องมีวิธีการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง น่าจะเปการนั่งเรีนหรือได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็ได้เหมือนกันดูแลคุณพ่อที่ติดเตียงอยู่ตัวเองเป็นคนไม่มีครอบครัวกังวลกลัวว่าไม่มีคนดูแลเราบ้างในอนาคตอย่างนี้ต้องทํำยังไงครับก็ปล่อยมันตายไปเลยไกุกังวลทำไมพอเราถึงเวลามันก็ต้องตายอยู่ดีเมื่อในไม่มีมครดูแลเรามันก็ต้องตายไป ไม่ช้าก็เลยผมก็ต้องตายถ้าเรายอมรับความตายแล้วเรื่องความกังวล อ, อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยในแต่ละวันควรสวดมนต์บทไหนบ้างครับแล้วแต่เราจะชอบคัญหาคือไม่ได้บทไหนปัญหาอยู่ที่ส่วนมากส่วนน้อยมากกว่าอยากสวดให้มากว่าหรือถ้าเราสวดสั้นๆก็คำว่าพุโทโธคําเดียวก็ได้เอามายของการสวดในการบริกรรมพุโทโธ ก็เพื่อคอยควบคุมคอยหยุดความคิดต่างๆไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไม่ให้จิตมึนหายไปกับความคิดต่างๆแม่ไม่ได้ส่งค่าใช้จ่ายให้ลูกเรียนจะเป็นบาปไหมครับพ่อเขาเป็นคนส่งครับไม่บาปหรอกแม่อาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะส่งได้ก็ไม่ไม่ได้บุญท่านนี่การส่งลูกเนียก็ได้บุญเลี้ยงโลูกก็ได้บุญไม่ได้เลี้ยงลูกก็ไม่ได้บุ การทำบุญให้ตัวเองกาบเรียนถามทำบุญคือทำอะไรที่จะเป็นสิ่งสูงสุดที่ผู้หญิงสามารถทำได้ครับก็ออกบวชเหมือนเป็นนม่ชีปฏิบัติธรรมชำระกิเลสตัหาให้หมดไปจากใจบรรลุมรรคผลผนิพพานอันนี้เป็นบุญที่สูงสุดใครก็ทำได้ทนะั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คนแก่และคนหนุ่มคนสาว จิตนี้มันไม่มีเพริมมีไวมันขอให้มันสามารถปฏิบัติมากได้ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือ ม, มากแปดได้ก็สามารถที่จะได้บุญที่สูงสุดตั้งใจเตรียมอาหารเพื่อจะใส่บาตแต่ใส่ไม่ทันพระแล้วนำอาหารนั้นให้คนที่เขาลาบากแทนอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ได้บุญเหมือนกัน คุณพ่อเพิ่งจากไปหนูขอคติธรรมเตือนสติและปล่อยวางครับหนูคิดถึงท่านทุกวันเลยครับคิดถึงว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัากจากกาั น, นกากกาไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วจิตจะค่อยๆ ย, ยอมรับแล้วความเศร้าโศกเสียใจก็จะค่อยๆหายไป การสวดมนต์ไม่ได้นั่งสวดหน้าองค์พระพุทธรูปได้ไหมครับได้สวดที่ไหนก็ได้สวดคณะเชื่อนั่ไปทำงานก็ได้นั่งเราไม่ได้ขับรถเองคุณมณิจันท์ครับหนูอุปการะคุณลุงท่านหนึ่งอาศัยวัดอยู่โดยให้เงินใช้ทุกเดือนมาเกือบปีลุงแกบอกว่าลุงสวดมนต์ให้หนูก่อนนอนทุกคืนขอให้เจริญขอให้รวย ลุงสวดมนต์ให้แล้วหนูจะได้รับบุญจริงหรือครับควรแนะนําลุงอย่างไรดีเพราะหนูไม่อยากให้แกกังวลเรื่องต้องมาตอบแทนบุญคุณครับอ๋อเป็นเรื่องของแกถ้าแกอยากจะตอบแทนบุญคุณก็ทําได้ไม่มีความเสียหายข้อสําคัญเราอย่าไปต้องการให้เขามาตอบแทนบุญคุณนะครกันอย่าไปท่วมบุญคุณแต่ถ้าเขาอยากจะทดแทนบุญคุณแล้วเราก็แสดงความชื่นชมยินดีกับความกรตันยุกรตวเวทีของเขาไปเท่านั้นเอง จะบอกเขาก็ได้ว่าดูไม่ต้องกังวลนะออรู้ไม่สะดวกที่จะตอบแทนบุงคกนก็แต่บางทีไม่ต้องพูดดีกว่าเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นการไปห้ามการกระทําความดีของเขาอย่าไปห้ามคนที่กําลังทําความดีแล้วก็อยากแสดงความกตัอยู่กับเวทีเขาปล่อยเขาแสดงไปการฟังธรรมะช่วยเจริญปัญญาได้ไหมครับใช่การทําธรรมะก็เป็นการเจริญปัญญาอย่างหนึง่ง ที่เรียกว่าสุตตามัญญะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาตอนที่เราใส่บาตรพระวางอาหารให้พระแล้วมีเด็กวัดที่เดินตามหลังพระหยิบของเก็บทําให้จิตใจเราไม่พอใจอย่างมากเราอยากให้วางของใส่บาตรพระเสร็จก่อนแล้วค่อยเก็บได้ไหมอย่างนี้เราไม่สงบยังได้บุญที่ใส่ไหมครับก็มันเป็นกิเลสของเราที่อยากจะ ใ ห, ให้วางไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยให้เก็บไปคือบางทีพ่อก็อาจจะต้องสอนเด็กเหมือนกันวนะ่าอย่าเพึ่งหยิบของใจ ก, กว่าเขาจะปล่อยก่อนอย่างเราบางคนลูกเศรษฐบางคนก็เหมือนกันโยมบางคนเขาก็บน่นแม้ยังไม่ทันไม่ยังไม่ทันวางเลยพอวางปุ๊บยังไม่ทันปล่อยมือเลยลูกเศรษฐหยิบไปแนละ้วเพราวลูกเศรษฐเขาก็รีบร้อนกันเพราะคนมันเยอะแล้วบางทีก็ลืมลืมกันไป แล้วอย่างงทีอาหารเขาก็พอรับมาจากพระแล้วบางทีเขาก็ไม่ค่อยมีความทะถอยถนอนเท่าไหร่บางทีก็โยนโย น, โยนก็ซึี่มันเป็นเพราะความความรุ่ยความความเร่งนัดแต่มันเลยทําให้เขาแต่ความจริงของที่ญาตโยมใส่บานนี่เป็นของที่ดีปราณีทั้งัแต่พอถึงมือลูกศิษย์นี้กลายเป็นเหมือนของอะไรไปก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่รูจะพูดยังไงเพราะเราคนเดียวลูกศิษย์เขาไปก็ <c oughs> ปล่อยเลยตามเลยไปเยียบไปยุ่งครับ <c oughs> ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคืออย่างไรครับก็ร <c oughs> ่างกายนี้ไม่สามารถทํำลายตามลําพังของตัวเองได้ต้องรอคําสั่งจากใจก่อนใจเป็นคนรับใจเป็นคนสั่งร่างกายเป็นคนรับคําสั่ง ถ้าอยากแนะนําหลักธรรมะให้แฟนต่างชาติเราจะแนะนําหลักธรรมไหนแบบง่ายๆให้เขาเข้าได้ให้เขาก่อนได้บ้างครับก็ขึ้นอยู่ว่าเขาอยากจะรู้หรือไม่นยถ้าก็ไม่อยากจะรู้อย่าไปสอนเขาดีกว่าอย่าไปแนะนําดีกว่าเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยอาจจะกลายทําให้เป็นเรื่องแตกแยกขึ้นมาก็ได้นะอยู่ดีๆกับแฟนแล้วดันไปสอนเขาเรื่องศาสนาเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลัวเราขึ้นมาคิดว่าเราเร า, เราจะมาเปลีน เปลนศาสนาให้กับเขาเนี่ยงั้นของศาสนานี้เป็นเรื่องเซนติทีป์นะเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องดูงว่าเขาพร้อมที่จะฟังหรือไ ม, ไม่ถ้าก็ถามว่าพวกอยู่นับถือศาสนาเขาสอนว่าทําอะไรบ้างแล้วก็บอกเขาได้แต่อยู่ในนี้บอกอยูเนี่ยยู่ต้องทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามศาสนาเพราะะนั้นบางทีก็ไม่เห็นด้วยก็มีเนื่องถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าไปสอนคนอื่นดีกว่าเรื่องศาสนา น้อยเก็มาถามเราก่อนอถ้าเ้าอยากรู้แล้วเราก็บอกเขาได้ถ้าอยากถ้าเขาอยากรู้ก็บอกเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ยเป็นเรื่องเรื่องแก่นของของศาสนเาเ้าก็ต้องกฎแห่งกรรมนี่มันเวรไหวตายเกิดถ้าเป็นของจริงมีจริงตายแล้วไปสวรรค์ไปนรกจริงตายแลอยไปเวรไหว้ตายเกิดต่อจริงน การทำบุญตักบาตรเราจําเป็นจะต้องกรวดน้ํำไหมครับถ้าเราอยากจะอุทิศท่านกับคนตายไยก็อุทิศได้เลยที่ไม่ต้องกรวดน้ําก็ได้น้ำนี่เป็นเพลงพิธีกรรมอย่างเนี่ยแต่ตัวตัวตัวอุทิศบุญนี้ก็คือใจของเราเนี่ยแล้วอุทิศด้วยความรู้รสึ ก, น, กนึกคิดในใจเราว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านนั้นท่า น, นี้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ถือว่าเราได้กรวดนั้นได้อุทิศบุญเรียบน้อยแล้ว ไรม่้้ใชนําเลยการฟังธรรมเกิดอานิสงผลบุญมากน้อยเพียงใดครับก็มีห้าอนิสงนุนด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับสาจะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ สี่ทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เรื่องสมาธิความเห็นที่ถูกต้องห้านะจะทําให้จิตสงบผ่องใสนี่คือห้าเนี่ยอันที่สองห้าประการที่เราจะได้จากการทําเทศทำธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะก็ได้เราอยากจะบรรลุธรรมครับควรปฏิบัติตนอย่างไรครับเราตา้องปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเป็นไปได้ก็มีมีท้องอะไรก็ ยกให้คนอื่นไปหมดแล้วก็มาอยู่แบบขอทานจะนั้นไม่ต้องมากังวลเรื่องการทำงาเงินหาทองถ้ายัางใช้เงินใช้ทองอยู่มันก็ต้องติดอยู่กับการทํางานเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติก็จะมีไม่มากพอถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ต้องเลิกหางเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทองไปอยู่แบบพระแล้วเราก็ได้ใเวลาที่จะรักษาสีหน้าบริสุดจันทร์สตินั่งสมาธิให้จิตสงบ ศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญาขึ้นมาเราจะสามารถบรรลุรัรผลนิพพานได้อย่างรวดเ ร, ร็วหัคคำแนะนำจากพระอาจารย์ในช่วงที่ร่างกายป่วยครับตอนนี้กาลังแอดมิดอยู่ครับก็แยกตัวเราออกจากร่างกายใจกับร่างกายเป็นคนละกฏใจใจเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวใจไม่ได้เจ็บไายได้ป่วยไปกับร่างกาย ที่ใจทุกข์เพราะใจคิดว่าตอนนี้เป็นร่างกายนั้นไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายหายใจก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้ร่างกายมันหายหรือไม่ป่วยหายก็ได้ยังรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้ายังไม่หายก็ต้องทนอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายถ้าไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปตามสภาพถ้าอย่างนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ การฟังธรรมเพียงอย่างเดียวสามารถเปิดบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ไหมครับถ้าเรามีสติมีสมาธิในระดับฌานเราก็สามารถบรรลุได้อย่างพระบรรจรวาคีในบ้านงานคนทำงานนี่ท่านเข้าฌานได้นะท่านมีสมาธิท่านมีโอเบคาพอความธรรมท่านก็สามารถเอาปัญญานี้มงหยุดความอยากหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ เพราะท่านมีสมาธิมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้พระเจ้าสานว่าท่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อย่างไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากอหลนี้ยอมไม่แก่งยอมไม่เจ็บยอมไม่ตายเพรายอมไดปปั๊บใจก็หายทุกข์ไว้วางร่างกายได้ผู้ป่วยฝากถามว่าขอคําแนะนําการปฏิบัติในช่วงร่างกายไม่แข็งแรงหลังผ่าตัดรถ ก็แบบเดียวนี่แหละก็แยกใจออกจากร่า ง, งากายว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนร่างกายเป็นเหมือนคนไข้ใจเป็นเหมือนพยาบาลใจก็ดูแลร่า ง, งากา ย, งายไปตามเหตุตามผลส่วนร่างกายจะหายหร็วหายช้าท่านนี้เราเข้าไปอยากไม่ได้ถ้าอยากแล้ ใ, rian rian ใจเร <ming led> าจะทุกข์ให้ดูตามความเป็นจริงไปอยู่กับความเป็นจริงไป คนที่เกิดมาในชาตินี้แล้วเป็นคนบ้าไม่มีสติหลังจากตายไปแล้วดวงจิตของเขาจะเป็นบ้าอยู่ไหมครับเป็นอยู่เพราะยังไม่มีสติความตายไม่ได้มาย้ำยั้งความเป็นบ้าของจิตนะแต่วันหนึ่งเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความเป็นบ้าก็จะค่อยๆหายไปได้ ช่วงวัยรุ่นเพื่อนมาชวนทําฟาร์มกระต่ายเลี้ยงมาจนใหญ่ยังไม่ได้นําไปทําประโยชน์มาโดนหมากัดตายไปมากเพื่อนเลยเอาเนื้อกระต่ายมาทําลูกชิ้นกินโยมจะมีส่วนในบาปนั้นไหมครับคือถ้าถ้ า, ถ, าถ้ากระตาะ่ายเราท่านตายด้วยอุบัติเหตุไม่มีไม่มีเจตนาจากคนก็ไม่บาปอะไรอย่างใดนะแต่ถ้ามีเจตนาฆ่ามันนี้ก็บาปจะกินนี้กินนี้อีกเรื่องหนึ้น แต่อยู่ที่ว่าการตายของกระต่ายนั้นตายด้วยเหตุผลอันใดถ้าตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยเหตุสุพิยไสไม่ได้ตายเพราะมีความอยากจะฆ่าอยากจะทักฆ่ากระตายอันนี้ก็ไม่บาป ก, กินไน้พาพอพอมันตายแล้วจะเอาไปเอาไปกินก็ได้เอาไปฝังดินก็ได้เอาไปทิ้งก็ได้มันไม่มีผลต่างมันตายยางไงแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกมาลูกอยู่กับพ่อ แม่ฐานะแย่กว่าพ่อลูกโตมาลูกบอกไม่ต้องตอบแทนคุณเพราะไม่ได้เลี้ยงมาอย่างนี้ได้ไหมครับก็มันยังมีคนอย่างอื่นที่เขาที่แม่ยังมีอยู่กับเขาอยู่ก็คือถ้าไม่มีแม่เขาก็เกิดมาไม่ได้อันนี้ก็ยังก็ยังเป็นหนี้บป็คุณแม่อยู่ดีอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแม่ของพระเจ้าก็ไม่ได้เรียกพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ยังทำเรื่องในบุญคุณของแม่ที่ให้กําเนิด พรถ้าไม่มีแม่ไม่มีพ่อคนเดียวเด็กก็เอามาไม่ได้เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะนั้นการให้ร่างกายนี้มาต้องมีทั้งพ่อทั้งแม่เพราะทั้งพ่อทั้งแม่มีบุญคุณเท่ากันในเรื่องของการสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาแต่ส่วนการเลี้ยงดูก็แล้วแต่ใครจะเป็นผู้เลี้ยงดูผู้นั้นก็ได้บุญไปได้บุญคุณไปะแต่พระเจ้าให้ก็เห็นว่าการให้ร่างกายนี้กับบุญคุณอย่างใหญ่หลวงนะ ถ้าไม่มีร่างกายนี้ท่านก็ตัดสาํานไม่ได้เมื่อท่านตัดสมุนแล้วท่านก็อยากจะไปทดแทนบุญคุณแม่ก่อนเลยเพราะรู้ว่าพ่ อ, อยังไม่สนใจธรรมะก็เลยมุ่งไปหาแม่ก่อนไปตอบแทนบุญคุณแม่สอนธรรมะให้อยู่ทั้งสามเดือนเลยหนึ 1, ่งพันษาจนแม่มบรรลุเป็นพระโสดามันเอาไปรู้เป็นพระโสดามั น, ม น, น, มนแล้วแม่สามารถปฏิบัติเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนสอน ไปถึงเป็นพระอาหารไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตัวเองพพุทธรูปถูกนําไปเป็นของตกแต่งสถานที่หรือพับมาดนามาทําตุ๊กตาดูว่าไม่เหมาะสมแต่จะเป็นบาปไหมครับเขาทําด้วยความไม่รู้เนี่ยเขาเลยเพียงแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธรูปเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็น คนให้รู้สาเหตุของการในพระพุทลูกครับก็จะรู้ว่าเป็นเครื่องเตือนสติถ้าเราถึงปกักคุนกันประเสริฐของพระพุทเจ้าเพื่อที่เราจะได้ถล่มและให้ความสนใจต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้เอาไปเรียนรู้แนะนาว่าไปปฏิบัติเพื่อให้เราได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านต่อไปเขาก็จะ ไ, ไม่ได้ประโยชนต์ตอนนี้เท่านั้น ลูกเกิดมาติดยา ง, งานไม่ได้ทำตอนนี้อายุสามสิบเอ็ดแล้วหนูมิเวณมีกรรมอะไรกับเขามาครับก็ชาญก่อนนะจะเป็นลูกเข้ามาก่อนเป็นนี่เข้ามาชาดอนันต์ก็นำมาใช้นี่ต่อไปก็ได้มอมุมกลับกันไประหว่างทำสมาธิตามรู้ชาหนึ่งถึงสี่กับการตามดูสติปัฏฐานสี่ ควรรู้อย่างใดก่อนหรือควรรู้ทั้งสองอย่างพร้อมกันไปครับอ๋อต้องรู้เรื่องฌานก่อนนั่งฝึกสตินั่งสมาธิก่อนใน่งสติประทานก็สอนให้จะนั่งสตินั่งสมาธิก่อนเช่อนอานาปนาสตินี่ก็เป็นการนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าฌานฌานสี่หลัองอกออกจะกเอาได้ฌานสี่แล้วถึงจะให้มาเจริญปัญญาศึกษ า, าธรรมชาติของร่างกายว่าเที่ยงหรือไม่เที่งเป็นตัวตนหรือไม่เป็นต้น การบรรดาษนี้มันมีขั้นติ้าไม่ได้ทเดียวพร้อมกันเลยมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศครับเหงามากคิดถึงพี่น้องที่เมืองไทยอยากจะมีความสุขเหมือนตอนเด็กๆอย่างนี้จะต้องทําอย่างไรครับรต้องหยุดความอยากให้ได้ทำจิตให้สงบแล้วเราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปมีครอบครัวไม่ต้องไปอยู่ใกล้กับคนที่เราอยากจะอยู่ใกล้ด้วยปัญหาของใจเรา คือไม่สบายใจหรือทุกข์ใจหรือ ไ, ไม่มีความสุขใจเพราะเราอยากอยางได้ในสิ่งที่เรายังไม่มีถ้าเราหยุดการอยากเหล่านี้ได้เราก็จะไม่ไม่ทุกข์ใจเราก็จะมีความสุขอยู่ตามตัวังคนเดียวก็ได้ตอนนี้ผมขยับเท้าขยับมือก็พุทธโทอัตโนมัติเมื่อก่อนจะสวดมนต์ในใจถ้าพุทโธอัตโนมัติแล้วให้ยึดพุทโธหรือสวดมนต์ครับ ได้ทั้งสองอย่างเราใช้อย่างไรก็ได้เป้าหมายก็คือไม่ให้อาจารย์เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจารย์ครับาศาสนาอื่นบรรลุธรรมได้ไหมครับก็าศาสนาอื่น ท, ที่ทราบมาก็อย่างน้อยก็สอนไม่ให้เบียดเบียนกันให้มีศีลแล้วก็สอนให้ช่วยเหลือกันก็คือการทําบุญทําทานเขาก็จะได้ในระดับสวรรค์ชั้นเทพแล้วบางาศาสนาก็สอนให้ทําสมาธิ เช่นการสวดมนต์อของเขาก็คือการน้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอย่างนี้ก็เป็นการเหมือนกับการสวดมนต์อย่างหนึ่งก็การเป็นการฝึกทําสมาธิแบบหยาบยาก็อาจจะทําให้เขาได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ถ้าก็สามารถทําใจให้สงบได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ไม่มีศาสนาไหนสอนเรื่องปัญญาเพราะไม่มีใครรู้เรื่องปัญญานอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว แม่มีทรัพย์สินที่สะสมจากการทำงานปัจจุบันอายุ60ปีอยากแบ่งปันให้ลูกๆโดยเหลือแค่พออยู่พอกินเพราเดี๋ยวก็ตายไปเอาไปไม่ได้แต่เราได้ฟังคติธรรมจากพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านสอนว่าอย่าเพิ่งให้ทรัพย์สินกับลูกหมดเพราะเดี๋ยวลูกไม่เลี้ยงเราจะลําบากขอคําชี้แนะครับเราแบ่งทรัพย์สินให้ลูกๆเราได้บุญไหมถ้าได้บุญเป็นบุญที่เหมือนถวายปัจจัยวัดหรือร่วมบริจาคโรงพยาบาลไหมครับ คือแบ่งให้ก็ได้บุญแต่ต้องไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนนช่ไหมต้องมีพอเพียงไว้สำหรับเลี้ยงดูแล้วาต้องอย่าไปหลังเพิ่งว่าเราให้หนึ่งเข้าไปแล้วเขาจะมาเลี้ยงดูเราอย่างนี้มันอาจจะเป็นความผิดหวังก็ได้เพราะเขาอาจจะเอาไปใช้หมดซะก่อนเพราะเราเดือดร้อนให้เขามาช่วยดูแลเราเขาก็ไม่มีเงินมาดูแลเราก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังจำเป็นที่จะต้องพึ่งดูแ ล, แลร่างกายของเราอยู่ เราไปหวังเพิ่มคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องมีเงินมีทองไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายของเราถ้ายังมีเหลือค่อยอแบ่งไปให้คนอื่นได้ให้ลูกเขาได้แม้แต่ห้ามทาบุญกับวัดกับโรงพยาบาลแ ล, ละโรงพยาบาลกาตาถ้าเรายังมีที่ไม่พอที่จะเลี้ยงดูร่างกายเราเราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายเราก่อนเนมื่อไหร่เรามีเงินเหลือเฟือที่เรารู้ว่าเราไม่เดือดร้อนกับการ ทําบุญเั้นที่เราไปทําบุญนี้ไม่ทําให้เราเดือดร้อนกับการเล้ยดูร่างกายเราเราค่อยไปทําบุญกันชอบอยู่คนเดียวฟังธรรมไม่ชอบยุ่งกับใครอย่างนี้ผิดปกติไหมครับแสดงว่าจิต น, น่าความสงบนะไม่ผิดปกติก็จะผิดปกติกับคนทั่วไปที่เขายังชอบสังสรรค์กันอยู่แต่พอเราไม่สังสรรค์นัก็อาณจะเป็นถือว่าผิดปกติสําหรับคนที่ชอบสังสรรค์ ในสำหรับคนที่ชอบธรรมะด้วยกยารก็จะถือว่าไม่เป็นสิ่งที่ผิดปกติใดอย่างใดคำกรดน้ำอิมินาปุญยกรรมเมนะยะมะมนุษย์วิจะอย่างนี้แปลว่าอะไรใช้กรณีใดครับต้องไปอ่านคาแปลดูวันใหญ่ก็เป็นการบันทึให้กับสันดววิญญาณที่ตายไปแล้วสืบเนื่องจากคำถามคนบ้าออทิสติกนะครับ ทำไมเกิดมาถึงได้หน้าตาดีเพราะกรรมเก่าทำมาดีใช่ไหมถึงมีข้อดีมีคนหลงรักครับใช่มันมีทั้งบุญทั้งกรรมที่เราทําไงบุญเราก็อาจจะทําส่วนบุญนี้ก็อาจจะสม่งผลให้เกิดว่าให้เรามีรูปร่างหน้าตาที่ดีก็ได้แต่ส่วนกรรมก็คือเราอาจจะเป็นไม่ไม่มีสติเราอาจจะไปเจอเหตุการณ์ที่มันที่เราไม่สามารถควบคุมสติได้เราแล้วเลยกลายเป็นคนบ้าไปก็ได้ การทําบุญบังสกุลในช่วงวันสงกรานต์จำเป็นหรือไม่แม่บอกว่าจําเป็นถ้าแม่เสียไปแล้วให้ทําบุญกุศลทุกปีครับคือความจริงทำบุญชนิดไหนก็ได้เหมือนกันจะใส่บาทก็ได้ถวายผ้าบังสกุลก็ได้ถวายยาก็ได้ถวายกุฏิก็ได้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นธรรมบุญที่ทําตามกันมาเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของคนตายไเวลาเราทําบุญได้คนตายแล้วมักจะนึกถึงผ้าบังสกุล ว่สมัยโบราณ น, นี้เวลาคนตายเขาจะาผ้าผ้าขาวไปห่อศพแล้วเอาไปทิ้งไว้ในปา่าช้าแล้วผ้าที่ต้องการจะใช้ผ้าก็ไปเก็บผ้าห่อศพนี้มาทําเป็นจีวรก็เลยเป็นเรื่องของธรรมเนียมถ้าเราทําบุญค่ายกับคนตายแล้วมักจะมีการถวายผ้าบางสกุลกันการที่ลูกให้เงินพ่อแม่แล้วห้ามไม่ให้พ่อแม่ใช้เงินในทางที่ไม่ถูกอย่างนี้ลูกเป็นบาปไหมครับ ไม่บาปม่นเป็นการไม่ได้ให้ถ้าให้เราต้องปล่อยให้เป็นอิสระเป็นความพอใจของผู้รับว่าเขาจะไปใช้อะไรก็ได้ถ้าให้แบบมีเงื่อนไขนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ให้แบบแบบเต็มที่ถ้าอยากจะให้แบบเต็มที่เราเราได้บุญอย่างเต็มที่ก็ให้ไปแล้วก็รับต่างคนที่รับเงินนั้นเอไว้เขาจะไปใช้อะไรก็รัแต่างเขาเราก็จะได้บุญเต็มที่ได้ บิดามารดาของพระอรหันต์ตายพระอรหันต์ท่านจะเสียใจหรืออาไรอาวรนเหมือนคนทั่วไปไหมครับอไม่ครับพระนี่ท่านไม่มีกิเลสไม่มีความไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรปรากฏขึ้นมาใจท่านเพียงแต่รู้เฉยๆนับรู้ไปแล้วก็ปล่อยวางเรื่องปีชงครับบอกว่ามีเคราะห์อันนี้จะแก้ได้ไหมครับ เราไม่รู้เน่เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องอเหล่านี้น ก, นการกับเรียนถามพระอาจารย์ครับการปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาบันรักษาศีลห้าบริบูรณ์แล้วมีข้อไหนที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขอพระอาจารย์แนะนำครับก็ต้องทำสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นัปปนาสมาธิเราก็ต้องเจริญปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราของเรา เนว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันนาถ้ามีสมาธิและก็มีบัญญาการส่งน้ําพระควรปฏิบัติอย่างไรบ้างครับไม่รู้เนะี่ยเพราะเราก็ไม่เป็นการส่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งครับนี่ยต้องไปถามวัดที่เขามีพิธีกรรมเหล่านี้ว่าทํากันอย่างไร ที่บริษัทมีการกลั่นแกล้งด่าว่าการให้ร้ายการบีบจนอยู่ไม่ได้ต้องลาออกแบบนี้คนที่ทำผิดศีลข้อใดหรือเป็นบาปไหมครับก็เลีเ่ยนเบียนพูดชำนาญพูดสร้างความทุกข์ให้กับพูดก็เป็นบาปอย่างบทสวดจกกักรพรรดิคือการเรียกเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้จริงไหมครับไม่จริงรอะมันก็เป็นแค่บทสวดอย่างหนึง่ง ถ้าเราใส่บาตพระทุกวันที่ไม่ใช่อาหารสดอาหารแห้งแต่ใส่บาตเป็นของใช้พวกน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าน้ํายาถูพื้นแปรงถูฝาพื้นจานชามหนังสือปากกาสมุดอื่นๆถือว่าใส่ได้ไหมหรือว่าผิดไหมครับก็ต้องดูว่าท่านต้องการอะไรถ้าท่านต้องการอาหารแต่เราถอยเครื่องใช้ไม่สอยไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับท่านต้องดูความจําเป็นของท่านว่าท่านต้องการขาดแคลนอะไรแล้วก็ให้สิ่งที่ท่านขาดแคลนไปจะดีกว่า แต่บุญก็ได้ไม่ว่าเราจะถวายอะไรแต่คนรับปฏิเสธจะได้ประโยชน์หรือไม่อยู่ที่ว่าเขาต้องการสิ่งไหนไม่ไม่ต้องการสิ่งไหนถ้าให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการให้ของเราคนที่มีอกติอคติกับเราเขาจะได้รับผลกรรมที่เขาสร้างไว้ไหมครับมีแต่คนนับหน้าถือตาครับก็ทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องเนผู้รับผลของกรรมนั้นนะ พบต่อต่อไปครับเขาเอาจจะเจอคนที่มาทําแบบนี้กับเราก็ได้ที่เขาทํากับเราก็ได้ขณะคุณพ่อมีชีวิตอยู่ถวายเงินทอดกรถินในฐานะประธานจํานวนมากๆคุณพ่อได้รับบุญกุศลเต็มๆเลยไหมครับถ้าเป็นเงินของคนร่ำรวยก็ได้เต็มๆเลยแต่วถ้าเป็นของคนอื่นร่วมด้วยชนที่คนอื่นร่วมด้วยก็เป็นของคนที่เข้ามาร่วมด้วย ส่วนที่คุณพ่อไน้ยก็เป็นส่วนของคุณพ่อที่คุณพ่อเสียสละไปพ่อแม่ตายไปแล้วครับทำบุญโดยการนั่งสมาธิให้ได้ใบครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิธีนี้ถ้าอยากจะทำบุญให้กับคนตายก็ให้ใส่บาตรถวายทานไปเป็นน้องคนเล็กครับแต่ภาระเลี้ยงดูแม่ที่ป่วยคนเดียวทั้งพี่น้องฐานะดีๆหลายคนแต่ไม่มีคนช่วยเหลือ จนเราต้องแบกภาระหนี้สินล้นพ้นตัวแบบนี้ถือว่าเราทําบาเปเบียดเบียนตัวเองไหมครับแต่ ว, ว่าเบียดเบียนตัวเองก็ได้แต่ถ้าเรามองในแง่ของการสร้างบารมีก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีระดั บ, บรรของพระโพธิสัตว์ก็ได้ก็เรายินดีที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่มีกับเราถึงแม้ว่าเราจะลำ บ, บ, บากลาบุญมากเราก็พอทนได้ นี่แสดงว่าเรามีบารมีมากสร้างบารมีได้มากไม่เป็นบาปคนที่เกิดมาเป็นฝาแฝดชาติที่ผ่านมาเป็นเพราะอะไรครับไม่เกี่ยวกันนะมันจังหวะที่มาได้ร่างกายที่อยู่ในท้องแมา่พร้อมกันไท่าน้นองดวงวิญญาณของแต่ละคนที่ม า, ามาจากคนละที่คละทางกัน ฟังเทศพระอาจารย์แล้วเข้าใจถูกจริตตัวเองจากเดิมที่คิดว่าจะสร้างบารมีไปเรื่อยๆเล ย, ยเปลี่ยนมามุ่งปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลให้ได้ในชาตินี้ผมคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องทำไมต้องไปรอให้มีหมอคนใหม่มารักษาโรคเราตอนตอนนี้หรือไม่ยังมีหมอคนปัจจุบันอยู่รักษาโรคให้กับเราได้อย่างที่มีนิทานในพุทธการที่ คนที่ยิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งถูกถูกโดยิงเว้นลูกธนูแล้วก็มีหมอแล้วคนที่จะมาช่วยถอนเอาธนูออกจากร่างกายรักษาแผลให้คนที่ถูกลูกธนูยิงก็บอกอย่าเพิ่งยงอย่าเพิ่งถอนช่วยเป็นคนหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ยิงก่อนได้ว่าเขาเป็นใครมย่างไหนด้วข้อมูลเกี่ยวกับลูกธนูนี้ว่าทาด้วยโลหะอะไรทําด้วยไม้ชนิดไหนถ้ามวลเวลามาหาความรู้เหล่านี้มันก็จะ ทำให้ไม่สามารถรักษาโลกที่เป็นอยู่ได้อาจจะตายไปเสียก่อนอันนี้อาจจะไม่ตรงกันกะอาจจะเปรียบเทียบไม่ตรงอันนี้เปรียบเทียบก็คือตอนนี้เรามีคนที่จะสอนเราให้ปฏิบัติแท้บทุนได้แเ้าก็ได้ปฏิบัติกันดีว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นข้ออ้างมากกว่าข้ออ้างของกิเลสคือยังไม่อยากให้เราปฏิบัติอ้างพ่ออ้างแม่อ้างงาน้างลกอ้างลูกอ้างเมียอ้างอะไรต่างๆไป แต่เขาจริงมันเป็นข้ออ้างเท่านั้นดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีลูกมีเมียพระพุทธเจ้าก็มีพ่อพระพุทธเจ้าก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ทําไมท่านไปได้เพราะท่านเห็นความสําคัญของการไปปฏิบัติมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เราต้องเห็นความปฏิบัตินี้สำคัญกว่าการหยุดพ้นจากการเป็น ว, ว่ายตายเกิดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ ดูแลคุณพ่อที่ติดเตียงอยู่ตัวเองเป็นคนไม่มีครอบครัวอ๋อนี่ถามไปแล้วครับต่อไปครับปวดต้นคอมาหลายปีครับหาหมอตรวจไม่หายอย่างนี้เป็นเพราะกรรมอะไรไหมครับไม่ใช่เหมือนกันคนระับด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอทราบว่าคนอาชีพใดที่เข้าถึงธรรมได้ยากและจะทำตัวอย่างไรเพื่อเข้าถึงพระธรรมคาสอนได้ง่ายครับ ไม่มีอาชีพใดแล้วที่เข้ายากหร่อง่ายอยู่ที่กิเลสมากน้อยมา ก, กว่าถ้ากิเลสมากก็เข้ายากกิเลสน้อยก็เข้าง่ายการนั่งสมาธิที่เข้าชานได้ดูยังไงครับคือว่าเข้าชานครับ อ, อ๋อจิตสงบนิ่งแล้วเกิดความสุขที่เป็นความสุขที่แบบ ม, ห, ม, ามาหาศาลใจคือใจเราเพชรหน้ามือเป็นหนังมือเลย จากใจที่วุ่นวายมาสู่ใจที่สงบเย็นสบายเหมือนกับคนที่อยู่ข้างนอกตอนนี้ร้อนๆแล้วพอเราเข้าไปอยู่ในห้องปรับประกัศเนี่ยมันจะมีความรู้สึกผิดจากทุกข์กายเป็นสุขเลยเพลหน้ามือเป็นหลังมือจากจิตที่วุ่นวายฟุ้งซ่านกลายเป็นจิตที่นิ่งสงบที่เป็นความสุขที่มาหาศจรรย์ใจอย่างยิ่ง การส่งจิตออกนอกคือการที่เราคิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่หน้าใช่ไหมครับตอนนี้หนูเศร้าที่สัตว์เลี้ยงตายที่ถึงมันทีไรคือรู้สึกเศร้าดิ่งมากหนูต้องข่มใจไม่ให้คิดถึงอดีตอนาคตใช่ไหมครับเพราะมันตายแล้วตอนนี้มันรู้แต่ทําใจยากครับเพราะเราไม่มีสติไงต้องฝึกสติเนืงใจให้ให้หยุดคิดเนี่ยเอาใจหยุดคิดก็ถือว่าเนงใจเข้าข้างในไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น เราใช้สติเป็นตัวนึิมกลับเข้ามาคอยใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงสัต์ที่เราคิดถึงทําไมถึงทุกข์ใจกับลูกมากหรือว่าชาติที่แล้วทํากรรมไว้เยอะครับเ ร, เราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เลทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากปล่อยเข้า่ามันจะเป็นจะตายกันเรื่องของอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์ใจ ถ้าเราโมโหจะมีวิธีที่ทําให้เราหยุดโมโหได้อย่างไรครับเบื้องตอนเราใช้ทำบริกรรมพุโทโธนี่นเพรารู้ว่าเราโกรธบ้างเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องคนที่ทําให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุโทโธได้ระยะหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องของคนที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปแต่พอเรากลับไปคิดถึงคนโกรธความโกรธก็อาจจะกลับมาได้ถ้าอยากจะให้ไม่โกรธเลยเราก็ต้อง อาสาเหตุของความโกรธว่าเกิดจากอะไรในที่ทําให้เราโกรธก็คือความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้เขาก็ไม่ทําตามความอยากของเราเราก็เลยโกรธเขาขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะโกรธเขาก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาพ่อแม่ตายไปแล้วทําบุญได้ด้วยวิธีใดบ้างครับทําทานไงบริจาคเงินทองให้กับองค์กรการกุศลวัด ก็ได้โรงเรียนก็ได้องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ได้นั่งสมาธิหลังตรงได้ไม่นานนอนฟังธรรมแทนได้ไหมครับมันก็เป็นการปฏิบัติของรูปแบบกันนอนฟังธรรมมันก็อาจจะหลับได้ง่ายถ้านั่งสมาธิหลังไม่ตรงก็ไม่เป็นไรให้มันหั่งไปตามธรรมชาติของร่างกายก็แล้วกัน ถวายสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันท่านไม่ได้ใช้แต่คนที่เป็นคนที่ปริบัติท่านต้องใช้ทําอย่างนี้ทําได้ไหมครับได้ท่านสิ่งไหนที่ท่านไม่ได้ใช้ท่านก็ทำบุญต่อไหมการให้ของให้ก็อื่ใช้นี่เป็นการทําบุญต่อเก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งสมาธิยากปฏิบัติต้องฝึกนั้นไหมครับถ้าทําสมาธิได้เราจะสงบจริงหรือครับ ยิ่งถ้าทำได้่้าจเจริญสติได้หยุดควบคิดได้ใจเราก็จะสงบได้ตอนนี้เราหยุดควบคิดเราไม่ได้ความคิดเราถูกปเปลี่ยนหนึ่งไปให้คิดถึงเรื่องการหาความสุขต่างๆจากรูปเสียงหินนั้นมันก็เลยทําให้เวลาเรานั่งสมาธิมันรู้สึกเปิด อ, อัดทนนั่งไปไม่ได้ไม่นานก็ต้องเริ่มนั่งไป ทำกับข้าวใส่หม้อไว้แต่ลูกใช้ทับพีตักไปทานก่อนนําไปใส่บาตวันรุ่งขึ้นกับข้าวนั้นถือว่าเป็นเดนหรือไม่ครับแล้วแต่เราจะถือถ้าแบ่งไว้ตักแบ่งไปมันก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นเดนถ้าเรานั่งกินกันตักกันกินไปกินเกันไปเนี่ก็เป็นของเหลืออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นของเดนน หากเป็นอัลไซเมอร์หลงๆลงืมลื ม, ลมจิตจะสู่ความสงบในบั้นปลายชีวิตได้ไหมครับขาดให้เป็นอัลไซเมอร์ยังยากเลยแนะนาวขเป็นอัลไซเมอร์จะสงบได้ยังไงเพราะมันแสดงว่าไม่มีสตินะตัวที่จะทำจิตให้สงบได้ก็คือสติเอาเงินบริจาคทําบุญไปเลี้ยงภษีแล้วได้เงินเพิ่มมาซื้อของทําบุญเยอะขึ้นจะเป็นอินฉริานไหมครับ หมือนอธิทฐานมาเงขงโมยเงินมาทำใช่ครับอันนี้ก็ไม่ได้ขโมยเอาเรียงภาษีถ้าเรียกภาษีก็เป็นการขโมยเงินของรัฐบาลก็ิบายว่าเป็นการขโมยทำบาปแล้วเอาเงินที่เราไดจากการทําบาปมาทําบุญพอเงินคือเท่ากันได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปมันก็เหมือนกันมันตัดกันไป จิตชอบนึกคําว่าทานศีลภาวนาขึ้นมาอัตโนมัติและรู้สึกตัวว่ามีสติด้วยเราใช้แทนคําพุทโธได้ไหมครับและจะผิดหลักปฏิบัติไหมครับได้ถ้าทําใจให้ไม่คิดปรุงแต่งได้ก็ใช้ได้เหมือนกันให้ใจสัจตระเวนเป็นสะพานบุญบอกบุญให้คนอื่นเราได้บุญไหมครับแต่เราอาจจะไม่ได้เอาเงินร่วมทําบุญไปด้วยครับเราก็ไม่ได้บุญจากการทําบุญนะ เราได้บุญจากการเป็นสะพานบุญลูกคนที่หนึ่งให้เงินแต่ไม่มาช่วยดูแลที่บ้านเลยเพราะไม่อยากเหนื่อยส่วนลูกคนที่สองดูแลพ่อแม่ตลอดแต่บ่นด่าบางครั้งด่าพ่อแม่จนน้าตาตกในเสียใจยร้องไห้มาเล่าให้ลูกคนที่หนึ่งฟังลูกคนที่สองจะได้บุญหรือได้บาปครับก็ได้ทั้งสองอย่างการเลี้ดูพ่อแม่ก็ได้บุญํามรว่าพ่อแม่ก็ได้บาป ฝากเงินไปทําบุญแต่คนที่ฝากเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างนี้เราได้บุญไหมครับเราได้บุญแต่คนได้เอาไปใช้ได้มานั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนฝนตกฟ้าร้องรู้สึกเย็นสบายแต่พอลืมตากลับพบว่านั่งอยู่กลางแดดร้อนอย่างนี้คืออะไ ร, รก็คือความคิดปรุงแต่งของจิตนะ เกิดมาเป็น LGBT ครับทำกรรมอะไรมาครับไม่ใช่เป็นังไงนะอาจารย์คาถามสุดท้ายครับกับเรียนถามถ้านั่งสมาธินั่งพับเพียบกับนั่งขัดสมาธแบบไหนเหมาะกว่ากันครับได้ทั้งสองแบบนะแล้วแต่ถ้ า, ถ, าถ้าพูดตามหลักเขาใช้การนั่งขัดสมาธนี้เป็นวิธีนั่งสมาธิที่เหมาะที่สุด ก็ได้ก็อยู่ที่ว่าเรานั่งได้ไหรือไม่ได้บางคนนั่งขัดสมาธิได้ก็ใช้ภาพเพลิก็ได้นั่งกับเก้าอี้ก็ได้แต่ผลที่จะได้จากการนั่งได้นานมากๆนี้ก็ต้องอยู่ในท่าขัดสมาธิเพราะเป็นท่าที่สมายที่สุดข่าวกาครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำอยู่ด้วยกันในในเฟสสามในเฟสห้ารอยสิบเก้าครับในยูห้าร้อยเจ็ดสิบสองในขับหก ติ๊กต่อ565รวมฟังธทมอยู่ด้วยกัน 1,662 คนนะครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิ14นาทีพระอาจารย์ตอบไป106คำถามครับผ ม, มก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็ น, น้อยแต่เราเคยนี้ก็คิดว่าพอสมงคแก่เวลาในเรื่องของการสนทนาธรรม ก็ขอให้ท่านตรงนำ้นมาเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในท่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์เข้างอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ